สีอความจริงโดยสมมุติและความจริงโดยปรมัดวงเล็บเปิดเกมีนาคม25งพัห้ารในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดปุถุชนเราเห็นภูเขาก็เป็นภูเขาเห็นต้นไม้เป็นต้นไม้พระโสดาบันเห็นภูเขาไม่เป็นภูเขาแล้วเห็นต้นไม้ไม่เป็นต้นไม้แล้วเห็นเป็นธาตุเป็นขันเป็นกลุ่มเป็นก้อนพอพลิกอีกทีหนึ่งตอนเป็นพระอรหันต์แล้วภูเขามันก็เป็นภูเขานะ มันเป็นโดยสมมุติของมัน ต, enfin, ต้นไม้ก็เป็นต้นไม้นั่นแหละสิ่งซึ่งพ้นจากความปรุงแต่งก็อยู่ต่างหากความรู้ของพระโสดาบันเครื่องหมายคำพูดเปิดจะรู้ส <mad race> <ร char> <vie> ิ่งที่เกิดแล้วดับปิดเครื่องหมายคำพูดความรู้ของพระอรหันต์เครื่องหมายคำพูดเปิดจะรู้แจ้งสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับปิดเครื่องหมายคำพูดนี่คนละเรื่องกันส่วนความรู้ของปุถุชนเครื่องหมายคำพูดเปิดจะรู้สิ่งที่เป็นสมมติบัญญัต ปิดเครื่องหมายคำพูดไม่เห็นหรอกว่าในเครื่องหมายคำพูดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับพวกเราส่วนใหญ่ในห้องนี้เป็นปูตุชนเรายังไม่เห็นหรอกว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับถ้าเป็นพระโสดาบันจะเห็นเลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นจะดับไปไม่มีตัวเราในทุกสิ่งทุกอย่างนี่ใจมันเห็นความจริงซ้ําๆไปเรื่อยเห็นสภาวะมันเกิดดับไปเรื่อยซ้ําไปเรื่อยวันหนึ่งใจมันยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ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 แค่นึกถึงก็เห็นพระนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่มีการเข้าการออกอีกต่อไปแล้วถ้ายังโสดาสกิทาคาอนาคาอยู่เนี่ยเวลานึกถึงนิพพานยังมีเข้ามีออกอยู่ต้องเข้าสมาบัติเข้าพละสสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์จิตทรงอยู่ตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปถึงจะเห็นพระนิพพานแต่ถ้าถึงที่สุดแล้วจะแจ้งพระนิพพานนิพพานอยู่ต่อหน้าไม่เคยหายไปไหนเลยเวลามองโลกก็เห็นโลก แต่เห็นโลกนี้ว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาแต่เวลาจะคุยกับใครสักคนต้องคอนเซนเทรตในวงเล็บรวมความสนใจถ้าไม่คอนเซนเทรตนะแบนราบเหมือนกันหมดเลยมองไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่สนใจนี่ไม่ใช่ไม่รู้เพราะปัญญาอ่อนหรือสมองเสื่อมไม่ใช่แต่เพราะใจมันไม่หยิบไม่จับขึ้นมาแต่พอจะต้องสนใจใครต้องคอนเซนเทรหน่อยก็จะแยกออกมาเป็นคนคน นี่รู้โดยสมมุติแล้วถ้ารู้โดยปรมัตดก็เห็นกลืนเป็นอันเดียวกับโลกเห็นคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับโลกรวมทั้งสัตว์ตัวนี้ด้วยพระอระหันต์ก็เห็นตัวเองกลืนอยู่กับโลกเป็นอันเดียวกันไม่มีแยกไม่แยกชั้นอยู่นี่เธออยู่นี่ของเราแยกเป็นสองรู้สึกไหมหลวงปู่ดูลเคยสอนหลวงพ่อว่าถ้าวันใดที่เห็นว่าจิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันเธอจะปิ๊งเลย จะข้ามพบข้ามชาติเลยมันจะไม่มีเราทิ้งไปทิ้งสิ่งที่เรียกว่าเรากลืนอยู่กับโลกไปเลยฉะนั้นจึงไม่มีแบ่งแยกเป็นสองส่วนทึงเรียกว่าหนึ่งเป็นธรรมที่เป็นหนึ่งจิตก็เป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งเวลาเห็นโลกก็เห็นโดยปรามัดเวลาจำเป็นก็รู้โดยสมมุติไม่ใช่ว่าสมมติไม่มีพวกไหนภาวนาแล้วสมมติไม่มีนี่พวกเพี้ยน พ่อไม่มีแม่ไม่มีคุณงามความดีไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรๆก็ไม่มีนี่เป็นมิจฉาทิฐิชื่อนัตถิกะทิฐิไม่ใช่มันไม่มีแต่มันมีโดยสมมุติไม่ใช่มันไม่มีมันไม่ใช่มีโดยปรมัดสมมุติก็มีตามสมมตินั่นแหละไม่ใช่ว่าเป็นพระอริยะแล้วไม่รู้จักสมมติสมมติไม่จริงเลยปฏิเสธสมมติ พ่อไม่มีแม่ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรๆก็ไม่มีเลยมีฉันอยู่คนเดียวนั่นแหละสุดท้ายก็คือมีกูนั่นแหละไม่เอาไหนเลยฉะนั้นถ้าเราภาวนาต่อไปถึงวันหนึ่งเราจะเห็นสมมุติโดยความเป็นสมมุติเข้าใจสมมุติกับมันเล่นกับมันอย่างเราเป็นผู้บริหารทำธุรกิจเรารู้ว่าเราเป็นผู้บริหารโดยสมมติตอนนี้เป็นเจ้าของบริษัท อีกหน่อยอาจจะเจ๊งเป็นลูกจ้างเขาหรืออาจจะเจ๊งตกงานไปเลยไม่มีอะไรเลยก็ได้นี่เป็นของสมมุติอยู่นะตอนนี้สมมติว่าเป็นผู้บริหารของบริษัทลูกน้องทำไม่ดีต้องเรียกมาด่าด่าโดยสมมติด่าโดยรู้ทันรู้ว่าด่าไปอย่างนั้นแหละทำหน้าดูดไปถ้าทำหน้ายิ้มหวานหวานที่หลังอย่าทำนะมันก็ไม่เชื่อสิใช่ไหมมันต้องเล่นบทยักรเราเล่นไม่ใช่จริงต้องเล่นนะ ดังนั้นผู้บริหารถึงบทโหดก็ต้องเล่นบทโหดเป็นบทเมตตาก็ต้องเมตตาเป็นนี่เล่นโดยสมมุติรูร้ว่าต้องทําเล่นพระพุทธเจ้าถึงสอนธรรมะที่เกี่ยวกับสมมติเยอะแยะไปสอนให้ข่มคนที่ควรขม่มชมคนที่ควรชมท่านก็สอนไม่ใช่ไม่สอนไม่ใช่ท่านบอกให้ชมทุกคนไม่ใช่ไม่งั้นเราบริหารจัดการอะไรไม่ได้ฉะนั้นกับสมมุติก็เล่นกับมันให้ถูกต้องในความเป็นสมมุติ อย่าไปหลงจริงจังกับมันไม่ใช่ฉันเป็นผู้บริหารแล้วต้องบริหารตลอดมีในพลคนหนึ่งแกเก่งสมมุติเวลากินเหล้าแล้วใจดีบอกว่ากูนี่แปลกเว้ยเวลากูเข้าไปในกองพลหรือที่ไหนนะทหารตกใจกลัวกูหมดเลยตัวแข็งกลัวกูคนเดียวแต่เวลาเข้าบ้านกูไม่รู้เป็นยังไงวะ่ะเมียกูใหญ่กว่านี่แกเล่นสมมุติเป็นใช่ไหยนอกบ้านแกใหญ่เข้าบ้านเขาเรียกแม่บ้านใช่ไหมเมียใหญ่ให้มันใหญ่ไป มันจะได้ไม่มีเรื่องนี่ขนาดเรื่องอื่นไม่ค่อยเอาไหนแต่เรื่องนี้เก่งรู้จกักอันไหนสมมติอย่างไรก็ควรจะปฏิบัติกับสมมติแต่ละอันให้ถูกต้องก็ปลอดภัยสิสบายสิใช่ไหมฉะนั้นปฏิบัติก็ต้องมีสติปัญญาไม่ใช่เอะอะก็ประมัดหมดเลยไม่มีสมมุติไอ้นั่นโง่แล้วไม่ถูกต้องนะฉะนั้นชาพุทธไม่ใช่ปฏิเสธสมมุติสมมติก็มีจริงแต่มีจริงโดยสมมุติ มีพระมีโยมมีผู้ชายมีผู้หญิงนี่สมมติทั้งสิ้นแต่ว่าต้องปฏิบัติให้ถูกต้องบางคนบอกว่าทําไมหลวงพ่อตบหัวผู้ชายทำไมไม่ตบหัวผู้หญิงมาเรียกให้เราตบตบได้อย่างไรเพราะโดยสมมติเนี่ยไม่ได้แล้วเราก็คล้อยตามสมมตินะโลกจะได้ไม่ยุ่งเหยิงไม่ใช่ว่าคล้อยตามสมมติเพราะว่าเห็นดีเห็นงามอะไรหรอกก็เห็นว่ามีสมมติแล้วโลกไม่ยุ่งเหยิง ยังสมมติว่าไฟแดงให้หยุดไฟเขียวให้ไปไฟเหลืองให้รีบเร่งเครื่องเข้าไปอีกโลกเขาสมมติแบบนี้ไฟเขียวกูจะจอดไฟแดงกูจะไปโลกก็ยุ่งสิเราก็รู้สมมุติโดยปรมาติเราก็เข้าใจมันนะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาแต่ถ้าโดยท่าแท้ทำแท้แล้วไม่มีอะไรว่างมีความสุขล้นล้นเลยการปฏิบัติเราจะเข้าใจความจริงเป็นลาดับลาดับไป เข้าใจความจริงโดยสมมุติก่อนแล้วจึงเข้าใจความจริงโดยปรมาทิตย์ปรมาทิตย์ที่ยังเป็นโลกิยะปรมาทิตย์ที่เป็นปรมัตธรรมแท้ๆพ้นจากโลกิยะเป็นโลกุตระแล้วก็ปฏิบัติต่อแต่ละสิ่งแต่ละอย่างถูกเหมือนกันหมดเลยถูกต้องนะไม่ทาผิดพลาดปฏิบัติได้ถูกต้องเหมือนกันแต่ไม่ใช่ปฏิบัติต่อแต่ละสิ่งเหมือนกันถูกเหมือนกันหมดเลย